หาคนมาเรียนกรรมฐานแต่ละวันแต่ละวั น, วนมีไม่กี่คนบางวันไม่มีหรอกมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราที่สนใจนะจะได้เข้าไปเรียนกับหลวงปู่ดุลไปหาท่านทีแรกะไปกราบท่านนะบอกหลวงปูผมอยากจะปฏิบัติท่านไม่เทศนนะไม่สอนหรอกหลวงปู่ดุลท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปตอนนั้นท่านเพิ่งฉันเข้าเสร็จแล้วท่านมานั่งอยู่ที่ระเบียงกุฏิท่านเนะี่ยท่านนั่งหลับตาไป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 เป็นเรื่องประวัติโลกูแหวนเขาเหลือที่อยู่นิดเดียวแค่แค่นี้ยเขาลงเรื่องอริยศาสตร์แห่งจิตของหลวงปู่ดุลจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมูทยัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพอได้ยินตรงนี้นะได้ยินธรรมะอันนี้นะใจมันตื่นขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาเออจริงนะใจมันรู้สึกงี้แต่จริงนะถ้ามันไม่มีตัวเราทุกข์ก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 มีความโลภมีความโกรธมีความหลงมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีความฟุ้งส่านมีความหดหู่มีความปีติยินดีสภาวะทางใจเนี่ยมันไหลมาตลอดเวลาถ้าเราหัดเจริญสตินะเราจะเห็นเลยสภาวะทั้งหลายนี่ยไหลมาไหลไปไหลมาไหลไปอยู่ตลอดเวลาถ้าเห็นอย่างเนี้ยนานๆไปจิตจะยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเลยมันเกิดแล้วดับ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 ไปตามดูความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปบ่อยๆเดือนหนึ่งเราจะเห็นนะจิตที่เคยหนักๆเคยเครียดๆนะั้นหายนะหายใจก็เข้าถึงความโปร่งโล่งเบามีความสุขลองไปดูที่วัดหลวงพ่อสิคนมีความสุขเต็มไปหมดเลยยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้เลยบางคนเมียทิ้งก็ยิ้มไม่ใช่ยิ้มดีใจว่าจะได้เมียใหม่นะยิ้มมีความสุขอ่ะเพราะมันมีสตินะ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 แข็งแรงขึ้นมาได้อีกนะบางคนอยู่มาได้เท่าไหลายปีนะหมอบอกว่าจะตายแล้วเดือนหน้าจะตายแล้วไม่เห็นตายทุกคนเราเจริญสตินะฮะดวจิตดูใจไปบางคนชอบไปรถคว่ำลดไหยบางคนไปลือนะว่าหลวงพ่อเนี่ยคลั่งที่สุดเลยมีรูปหลวงพ่อแปะหน้ารถะรถพลิกมาห้าตลบไม่เป็นไรคนโน้นก็พลิกคนนี้ก็พลิกแสดงว่าไม่คลั่งจริงอะรถยังพลิกอยู่ก็ขับรถชุยเองนะนะขับขับรถเร็วนะรถพลิ๊กรถคว่ำอะไรเงี้ย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 มานั่งฟังธรรมะไปนะหัดเจริญสติไปใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ฝึกไปเรื่อยๆก็หายะกลายเป็นคนที่รู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้บางคนนะมาจากอเมริกาเป็นฝรั่งนะหมอบอกว่าเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์มันไม่มีทางหายะปรากฏว่าแกมาหัดฟังหลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะแกตื่นขี่นมาจิตแกตื่นขึ้นมาก็าหายหม อ, อก็เลยวิจัยใหม่บอกเป็นอัลไซเมอร์เทียม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 แต่ตอนเนี้เพ่งไหมครับตื่นเต้นเลยจะเที่ยงงไว้กดไว้ด้วยครับนั่นแหละจะเที่งไว้กดไว้อันเดียวกันเอจะขอวิหารธรรมกับหลวงพ่อนะครับขางคุณมันนักคิดอาชีพอยู่แล้วนะครับดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปครับมีไหมในบทน่ะมีครับอ่ว่าดไปนรเมการหลวงพ่อค่ะรู้จักใจลอยไหมรู้จักค่ะให้รู้ทันบ่อยๆนะคียกําลังใจลอยอยากพูดมองไม่เห็น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 หลวงปู่ดูลท่านก็พูดเรื่องจิตยิ้มนะจิตยิ้มย่อกิเลสพอท่านกลับมาแล้วก็มีโยมคนหนึ่งอยู่ที่หินมักแตงอ่ะไปส่งกันบ้านกับหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่เจ้าค้าจิตดีฉันยิ้มแล้วมันยิ้มย่อกิเลสล้วใครมีกิเลสนะดีฉันยิ้มย่อหมดเลยอย่างนั้นไม่ได้นะมันต้องดูกิเลสตัวเองนะไปดูกิเลสคนอื่นไม่ได้ที่ฝึกฝึกอยู่ใช้ได้แล้วอย่าถามในเสียเวลาอ่ะเดี๋ยวขอโอกาสให้แม่ได้ไหมคะคือแม่เนี่ย จะฟังซีดีโดยบังคับอะค่ะจับนั่งรถแล้วเราจะเปิดซีดีหลวงพ่อประโมทไปเรื่อยๆจนแม่ฟังมาในระยะหนึ่งดูเหมือนแม่จะเข้าใจมากขึ้นว่าทุศิษย์คืออะไรใช่แตแต่บางทีแม่บอกว่าเขาจะเฉยๆอะค่ะคือความรู้สึกเฉย ๆ, ๆเลยไม่ทราบว่าเฉยเนี่ยเกิดจากทันเพ่งไว้ในมรรคการหลวงพ่อค่ะรู้สึกไหมขนาเนี้ยเราเพ่งอยู่รู้สึกค่ะเลิกเพ่งซะแล้วมันจะไม่เฉยแค่นั้ น, น <ะ S 1> เองอะก็ฟังซีดีของหลวงพ่อก็หลายครั้งค่ะ แล้วก็เคยไปที่ศิลาชาครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ดีใจที่หลวงพ่อมาแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ฝึกดูจิตให้เพ่งให้ตามดูไปเรื่อยๆไม่ได้ให้เพ่งนะไม่เคยสอนเลยนะว่าให้เพ่งอ่ะก็ให้ตามดูนะคะา <c oughs> ยัง <c oughs> ยังยังสงสัยอยู่ว่าการดูจิตเนี่ยก็ยังไม่เคยเข้าใจอยู่ดีอะค่ะลืมคำว่าดูจิตไปนะถ้าไม่เข้าใจคำว่าดูจิตให้คอยรู้ความรู้สึก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 อ่อมๆนิดนึงไม่ให้จงแจ้งเกินไปงั้นโยมยังไม่เห็นจิตหรอกเห็นความรู้สึกไปก่อนถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเราจะมีโอกาสเห็นไหมครับเห็นสิถ้าปฏิบัติถูกนะมันต้องเห็นเขาสักวันหนึ่งหรอกไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไป <c oughs> ใครเคยรู้จักหลวงพ่อกิ ม, มั้มหลวงพ่อกิมอยู่วัดป่าดงครูเมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาท่านหมือกัน แล้วก็ถามท่านจะมีความรู้แปลกๆเยอะท่านก็ลูกศิษย์หลวงพ่อท่านเจ้าคุณนี่แหละเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณเหมือนกัน mm. เคยไปถามท่านบอกหลวงพ่อเนี่ยท่านหลวงพ่อหลว ง, ง, ง, งพ่อคนที่หัดปฏิบัติเนี่ยใช้เวลานานไหมกว่าจะได้พระโสดาเ mm. ท่านบอกไม่นานหรอกทาจริงๆไม่เกินเจ็ดชาติก็ได้โสดาแล้ว <laughs> <laughs> อยู่ที่เราลงมือทํานะ สมมติว่าเราจะไปขเขมรเรารู้แล้วขเขมรไปทางนี้เดินไปทุกวันอนะ่ะต้องถึงเขาสักวันนึ่งอนะ่ะถ้าตายแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่นะเกิดใหม่ถ้าเดินต่ออีกวันนึงก็ต้องถึงยจนได้แหละทางจะไปมากกว่นิพพานนะเป็นทางของคนกล้านะเป็นทางของคนเด่นเดี่ยวไม่ใช่ทางของคนเหยาะแยะ่ปร <S S> ะเภทภาวนาหยอะเหยาะแย่แย่ดูบ้างไม่ดูบ้างไม่ได้กินหรอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยภาวนาเนี่ยมันต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนะ ยิ่งกาอน า, านในขั้นละเอียดละเอียดขึ้นไปเนี่ยจะเข้าใจเลยนิพพานอยู่ภาคตายจริงมันเหมือนจะตายเอาดิฉันจะตามตามดูไปเรื่อยๆโยมยังไม่ได้ตามดูโยมตามคิดไปเรื่อยๆตอนเนี้ยค่ะตามคิค่ะค่อยรู้ทันนะจิตแอ บ, บไปคิดเรารู้จิตแอบไปคิดเรารู้รู้บ่อยๆแต่อย่าไปห้ามมันชอบไปเพ่งให้นิ่งหมดยังเข้า ใ, ใจวนะ่า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 ติดตามฟังซีดีหลวงพ่อมาสองปีนะครับเอาเนื้อเนื้ อ, นนอกลับก็สองปีที่ผ่านมารู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยกระเด็นไปจริงๆนะครับอาจารย์แล้วก็เมีความสุขมากขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าระยะหลังเนี่ยจะรู้สึกนิ่งๆตรงเนี้ต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราหัดดูจิตดูใจนะดูจิตดูใจไปแล้วจิตมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นอารมณ์มันประณีตขึ้นเรื่อยๆในที่สุดมันว่างๆพอจิตมันว่างๆแล้วเราก็ไปติดอยู่ในความว่างใช้ไม่ได้นะ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 มันต้องรู้เรื่องที่คิดอย่าที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้แล้วอยา่าไปประคองไว้อย่าติดเช่งอยู่อาไปเบอร์สิบนั่นจากพนักงานหลวพ่อค่ะคนี่ก็ติดเช่งเหมือนกันพึ่งซึ่อ่งมาศึกษาทายนี้ได้ว่ามันเกือบสองเดือนเนค่ะฟังจากซีดีหลวงพ่ อ, อืลก็คือบางทีการปฏิบัติคือถ้าเราเราคิดตาม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 อย่าไปเพ่งให้จิตนิ่งนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวให้มันเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาแต่เนี้ยกดอยู่รู้สึกไหมแล้วรู้สึกไหมจิตมันมัวมัวนะจิตมันมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะแนะถ้าถ้าตามดูความเผลอไปเรื่อยๆที่ผมทําอยู่ที่บ้านยามันเผลอไปแล้วเรารู้นะจิตเราไม่ไหลตามไปนะจิตเป็นคนดูเห็นเผลอไปแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกแต่ความรู้สึกของผมมือนว่าผมผมจ้องอยู่หรือเปล่า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 คนอีสานจะมีแม่เยอะครับออคืออพยายามที่จะแนะนําคุณแม่ให้เปิดซีดีแต่ว่าก็เปิดไม่เป็นอืมก็ไม่ได้อยู่ด้วยก็เลยไม่มีเด็กเลยเหรอที่บ้านพอดีน้องสาวคนเล็กก็เพิ่งจะออกไปทํางานน อ, อกบ้านครับก็เลยอยากจะขอโอกาสหลวงพ่อให้แนะนําสําหรับเราภาวนาไปนะพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้พุโทโธแล้วบังคับให้ใจนิ่งอย่างเดียวให้เราคอยพุโทโธไปแล้วค่อยรู้ทันจิต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 ก็เดินจงกรมนะเดินมีสติเช่นเดินเดินไปแล้วเห็นคนรอใส่บาตรอยู่ดีใจดีใจรู้ว่าดีใจนี่ท่านเจริญสติอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่นะพอดีใจแล้วพระอื่นมาตัดหน้าไปโกรธรู้ว่าโกรธนี่ท่านเจริญสติอยู่หรือเราจะไปเดินช้อปปิ้งนะเข้าไปในห้างเดินไปนะเป็นร่างกายมันเดินอยู่ใจเราเป็นคนดูอย่างนี้ก็ใช้ได้มีสติรู้กาย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 จะเห็นเลยร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกจำระการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองทั้งเพ่งทั้งกดนะคะใช่ถูกต้องแล้วทําไงดีทําไมมันเ พ, เพ่งเพราะมันอยากดีะเป็นเพ่งเพราะมันอยากดีไปกดไว้ไปกลมไว้เพราะว่ามันอยากดีให้คอยรู้ทันมันรู้ทันความอยากในใจเราอ่ะความอยากเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันนะความอยากเป็นตัวสมุทยัย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 พสิตามมาจากกรุงเทพไปอย่ามายกมือที่นี่หลวงพ่อคะเคยกรรมนนักการหลวงพ่อที่วัดหลวงตาพนึกมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วหลวงพ่อว่าจิดนิ่งจิตเท่งอยู่อะค่ะตอนนี้เียงน้อยลงรู้สึกไหมค่ะใช่เท่งน้อยลงใจเราเริ่มเคลื่อนไหวค่ะเห็นได้ใจเราเดี๋ยวสูงเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั่นแหละตามดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดนะจิตมันไปเกาะไ่เที่ยงค่ะดูไปอย่างนั้นแหละดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วใช่ไหมคะอืมจะให้เราชม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 ค่ะ<ห>นะระวังไหมตัวนั้นเป็นกับหลักของนักดูจิตเลยอย่าให้ติดว่างพอธรรมะสกการบ่พ่อค่ะคืออยากจะถามว่าคือติดเพ่งหรือเปล่าเพง่งแล้วทําังไาทีมันจะหาเพ่งล่ะคะต้องไม่ทําแต่ถ้าตะว่าคือบางครั้งคือเหมือนกับว่าจะเพง่งแต่คืออีกจิตอความรู้สึกอีกอย่างห่อมันมันไม่ได้เพงะะ่งหรอกค่ะอะไรนะ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 แล้วก็คือบางครั้งคีอนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิพอผู้นิสมามันเหมือนกับว่าเราจิตเราติดที่สมาธิติดส ม, สมาธิออกมามันผิดตั้งแต่นั่งแนละ้วผิดตั้งแต่เริ่มนั่งวางไม้แล้วนั่งไปนั่งไปเลยไม่ต้องสนใจหลวงพ่อนั่งสมาธิไปคนอื่นน่ะไปดูเ้านั่งสมาธิไม่ดูตัวเองนะลืมตัวเองละรู้สึกไหมจิตสงสัยรู้ไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยสิ นั่งรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยจิตไหลไปแล้วรู้สึกไหมสงสัยอีกแล้วรู้สึกไ้มเออคนช่างสงสัยไปดูความสงสัยบ่อยๆนะอย่าไปนั่งมากไปฟุ้งซ่านพยายามรู้สึกตัวมากๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบ่อยๆเราท้าอย่างนี้เราดูกายจะดีกว่าไหมดีกว่ากันอะไรนะถ้าอย่งงางนั้นเราดูกายดีกว่ากันดูจิตไหมดูกายไปก่อน คนที่ติดสมาธิเนี่ยให้ไปคอยดูกายไว้ก่อนถ้าติดสมาธิแล้วไปดูจิตจะ น, นิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูหรอกเพราะจิตตามรู้ปัฏสนานะเหมาะกับเรียกว่าวิปัสสนาญาณนี้คือคนที่จเจริญสติตามรู้เข้าไปเลยอ่าเชิญพ่อครัแล้วผมต้องปฏิบัติอย่ไรบ้างไหมครับจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะก็เท่านั้นเองนะรู้ลงปัจจุบันคปกล่าวมานักสกา ร, การหลวงพ่อค่ะ จะถามสภาวะสติตอนนี้ค่ะที่ปฏิบัติมาตอนนี้หรือว่าที่ปฏิบัติมาที่ปฏิบัติมาใช้ได้แล้วเคอยดูบ่อยๆนะเราเป็นคนชี้โมโหโมโหขึ้นมาเราก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ไปใช่ค่ะแล้วการนั่งสมาธิส ม, า, สม า, านะคะตอนคือณตอนที่ปฏิบัติมาผ่านมาเป็นยังไงนะเวลาทําสมาธิอยากให้ขาดสติพวกเราชอบไปคิดว่าการนั่งสมาธิต้องทําให้เคลิม้มแล้วก็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 ดูตัวทั้งตัวนั่นแหละนะแต่ดูสบายๆนะไม่ใช่ดูแบบจ้องไว้งี้นะจ้องไว้ทั้งตัวก็ไม่ดีที่ผ่านมานี้เพ่งเกินไปเลยคะไม่เป็นไรเพ่งนิดหน่อยค่ะขอบคบคว่าสักการะหลวงพ่อคือสมัยที่ผ่านมาผมจะไปฝึกเป็นสมถะสมากนะครับหลังๆก็มาฝึกลองดูจิตตัวเองนะครับแล้วก็พอดีไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่จําได้คือว่าจู่ๆเนี่ยเรา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 พองหงหุดหงิดก็กลับมารู้ว่างหงุดหงิดแล้วก็ด้วยความของหงหุดหงิดปุ๊บ ก, ก็เลยมาดูกายอพอดูกายุดูด้วยการเดินดบ้านงางจงใจดูจงใจดูนะใจจะแน่นแน่ขึ้นมาตอนนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายเป็นถุงหรือมัน ม, มันหายไปแต่มันมีบางอย่างในหัวก็ลังบอกว่า มันหายไปแต่ว่ามันยังเป็นของเราอยู่ครับเป็นจะแก้ยังไงครับไม่แก่นะตามดูไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดมันทำลายความรู้สึกว่าเป็นเราไปเองขอบคุณครับจารรักาการหลวงพ่อครับคือช่วงหลังผมเหจิตมึงคิดอยู่ตลอดเวลาจิตใครก็คิดตลอดเวลาถ้าจิตมีหน้าที่คิดแต่บางครั้งมันมันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะอยากให้มันไม่คิดมันก็เหนื่อยนี่ช่วงที่อยากให้คิดมันจะมีโทสะใช่มันเป็นโทสะ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 ถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสของเราจะรุนแรงมากขึ้นยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆต้องทนเอานะถามนัมัธยการท้าวอาจารย์ครับไม่ทราบที่ปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือผิดยังไงครับท้าอาจารย์เห็นกิเลสไหมล่ะกิเลสเกิดรู้ไหมรู้บางไม่รู้บางครับเมื่ อ, อไหร่รู้เมื่อนั้นถูกเมื่อไร่ไม่รู้เมื่อนั้นไม่ถูก มันก็ถูกเป็นขณะขณะนะหลงไปเป็นขณะขณะรู้บ่อยๆอย่าประคองจิตให้นิ่งประคองมากไปครับเขจาจอ่าหมดยังจะขอกันบ้านนะคะ่ะแล้วก็จะส่งกันบ้านที่ปฏิบัติมานะคะ่ะจะส่งมาก่อนอ่าที่ถามมานี่จะมีช่วงที่ว่าโทระแรงแล้วก็อ่า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 อย่างนี้จิตฟุ้งซานแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมลืมตัวเองขอบพระคุณค่ะมันลสักการหลวงพ่อค่ะฟังซีดีของหลวงพ่อม า, าประมาณสองเดือนกว่าค่ะที่นี่ ừ, ช่วงหลังนี่นั่งสมาธิเราฟังรู้สึก ว, ว่าพอนั่งนานๆไปสักหน่อยสักยังไม่ถึงชั่วโมงฟังรู้สึกว่ามันร้อนหมดเปิดพัดลมครับ ไม่ทราบว่าเราจะ <c oughs> เราไม่ได้ภาวนาเอาเย็นนะภ <c oughs> าวนาแล้วมันเกิดร้อนที่รู้ว่าร้อนร้อนแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ <c oughs> ร้อนแล้วสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าสงสัย <c oughs> อะไรเกิดขึ้นย้อนมาดูจิตตนเองไห <c oughs> นะค่อยดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆ <c oughs> อ, อย่าให้เสียทีเป็นชาปสุรินนะดูจิตเลยฌาบนวัฒก า, ารหลวงพ่อ อยากได้คำแนะนำคอย่าไปกดไว้อย่าไปบังคับมันนะทำใจสบายๆถือศีลห้าไว้ก่อนนะถือศีลห้าให้ดีแล้วก็คอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของใจบ่อยๆนะอยา่ากดอยู่ไปทางโน้นบ้างทราบนรจการหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นระหว่างวันมันฟุ้งไหมเจ้าค่ะที่ฝึกอยู่ใช่ได้แล้วนะ<า>อย่าไปบังคับมันตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไป ค่ะการของคุณเจ้าค่ะไปทั้งน้นบ้างอาไม่หมดหร อ, อ, อว่าไงที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่าคะยังเพ่งอยู่นะพยายามรู้สึกตัวลืมคําว่าปฏิบัติเสียของคุณเนะี่เวลาปฏิบัติเนี่จิตเข้าไปครุกนะไม่ดีพยายามกลับมาเหมือนคนปกตินะมารู้ตัวสบายๆไปอย่าบังคับจิตให้นิ่งบังคับมากไปเนี่ยกดแล้วรู้สึกไหม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 การปฏิบัติอย่างง่ายๆทําตัวเป็นคนดูของคุณติดเพ่งนะติดเพ่งอยู่พยายามคลายการเพ่งออกแล้วจะเห็นความเกิดดับได้รวดเร็ ว, รวขอบพระคุณครับการมาสการหลวงพ่อก็ค่ะหนูอยากเรียนถามว่าที่ปฏิบัติอตอนนี้ถูกไหมเจ้าคะตอนนี้ไม่ได้ปฏิบัติตอนนี้กําลังรอฟังรอฟังแล้วไม่รู้ว่ากําลังรออยู่ใช่ไหม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 หมดแล้วเนาะขอเพื่อนพักผ่อนวันนี้สมควรแก่เวลานะหลวงพ่อนะาฝึกกรรมฐานมาเนี่ยขอคำถามสุดทายได้แลคะขอความเมตตาใช่ไหค่ะอ่าวว่าไปกลับ น, นมั ส, ส ก, การเจ้าค่ะค่ะก็จะไม่ขอก็ไม่ได้ค่ะเพราะพระลูกชายสั่งว่าได้มีโอกาสมาได้นมั ส, ส ก, การหลวงพ่อแล้วให้ขอกันบ้านกลับไปด้วยค่ะไปหัดดูไปเลยนะใจเราโมโหขึ้นมาก็รู้โมโหขึ้นมาก็รู้ไปดูเรื่อยๆ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 โดยเฉพาะคนย่านอีสานเนี่ยเป็นญ่านที่ครูบาอาจารย์ที่ดีที่วิเศษเนี่ยมีเยอะแยะเลยโดยเฉพาะชาวสุรินเนี่ยนะเป็นต้นต่อเลยนะที่จะหัน ด, ดูจิตดูใจคนทั่วโลกเขาดูจิต ด, ดูใจกันแล้วนะคนสุรินถ้าไม่ดูนี้ไอายเามากเลยนะฉะนั้นอย่ามวัวแต่อยู่สุรินกินสุราอย่างเดียวนะดูจิตบ่อยๆนะเอาเท่านี้แหละขอะบคนณย่ารับผิดรับผิหน่อยนะขออนุญาตรับผิกับลวงพ่อหน่อยรับผิเหรอ พรต้องรับทำไมนอ่อทำดีก็ ไ, ได้พรในตัวเองนะยะถาว่าริปะฮาปูราปริปูเรนตีสาคารังเอวเมวาอิโตดินนางเตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโนปนารโสยถามณีโชติราโสยะถาสัพพิตโวิวัชันโตสัพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกพวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทธาปจายิโนจัดตารโรธรรมาวัันตีอายุวันโนสุ ข, ขังพะลัง